ผูทว่าสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะดิฉัน ส, นสนันสหน้าคง์มาพร้อมๆกับรายการสันสินิสนทนานะคะมาเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะของพระสารสดาซึ่งดิฉันก็ถือโอกาสที่จะได้ผลพลอยได้ไปพร้อมๆกับท่านด้วยและสําหรับช่วงนี้มีสิ่งที่ดิฉันคิดว่าล้าค่าที่จะทําไปพร้อมกับท่าน นคัคือตอนต้นรายการนะคะจะเชิญชวนท่านใช้เวลาสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจอื่นและฟังธรรมไปด้วยด้วยการที่เรามาปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันทำที่นี่ไม่ต้องไปที่วัดนะคะอยู่ที่ไหนท่านก็ทำที่นั่นและแถมยังมีครูบาอาจารย์นำด้วยในอีกไม่กี่นาทีนี้จะได้ไปพบแล้วนะนะคะนะคัคือพระภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านก็จะมีพระสูตร มาให้ความรู้กับเราพร้อมๆกับที่ท่านปฏิบัติทำด้วยกราบนมสักการะท่านคะเจนบอลในช่วงของการปฏิบัติเราก็มาเอาเริ่มต้นในะด้วยการให้จิตของเรานั้นมีที่ตั้งที่ระลึกถึงซะก่อนณนะที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตที่พระเจ้าตรัสไว้นั่นก็คือสติสติจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเอาจิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจนะใหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาให้ใจของเรามารับรู้ แต่ถึงสัมผัสที่อยู่ด้านในโพรงจมูกหรือจะเป็นจุดไหนก็ได้แต่ที่เราจะกําหนดจะตั้งสติของเราเอาไว้ได้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้จิตมีฐานที่ตั้งอย่างนี้แล้วชื่อว่าจิตนั้นได้รับการรักษาจิตที่ได้รับการรักษาอย่างนี้แตะมีความเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์ันเดียวแล้วก็มาใกล้ครวนถึงสุดตะและเป็นผู้ที่ทรงสุดตะสั่งสมสุดตะโดยการฟังพระสูตรที่พระจ้าได้ตรัสไว้และตอนนั้นพระองค์ก็อยู่ที่ เมืองสาวัถีที่วัดเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนมีกลองศึกของพวกกษัตริย์สาระหะชื่อว่าอาณกะกลองอาณกะนี้ถ้าใช้ไปก็จะมีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ถ้าสารหะก็จะหาเนื้อไม้อื่นทาเป็นลิม เสริมรงไปในรอยแตกนั้นของกลองทุกคราวไปเมื่อเป็นเช่นนี้เชื่อมปะหลายครั้งหลายคราวเข้านานเข้าก็จะมีในสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองนั้นหมดสิ้นไปเหลือแต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าไปใหม่เท่านั้นก้อนนี้ฉันใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวฝ่ายอนาคต จะมีพิกษุทั้งหลายได้ฟังสุตตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโล ก, กุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอก็กลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยกหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงและไม่สาคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตาเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสวยมีพยยญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันต์เหล่านั้นเมื่อกล่าวอยู่เธอกลับไปฟังด้วยดี กลับไปเงี่ยวหูฟังกลับตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนปิสุดต่างหลายความอันตรธานของสุดตันต์เหล่านั้นที่เป็นคำของตถาโคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และในขณะที่เราฟังพระสุตนี้ไปใกล้ครวนอยู่ แล้วเราก็มีสติในลมหายใจในการปฏิบัตินี้ก็สืบเนื่องต่อไปได้ไม่มีปัญหาจะเริยนบอลจ้าทุกค่ะนี่ก็เท่ากับว่าให้ท่านได้สํารวมสมาธินะคะจดจ่ออยู่กับลมหายใจแล้วก็จะได้สามารถที่จะสดับยประสูทธ์อย่างมีสมาธิเข้าอกเข้าใจได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องกราบเรียนถามว่า พระสูตรนี้เนี่ยมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรแล้วก็เพราะเหตุใดท่านเผยบุญถึงได้เลือกพระสูตรนี้นํามาฝากพวกเราในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผ่อนที่จะบายอธิบายเรื่องพระสูตรอาจาต้องการพูดถึงเรื่องการปฏิบัตินิดหนึ่งว่ า, อ, อ, อ, ยาอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยแล้วเราก็มีสติในลมหยใจเนี่ยชื่อว่าเราปฏิบัติถูกไหมการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบกับการปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ย ให้ทำให้เหมือนกันคือบางทีเราอยู่ที่ทํางานเราก็มีสติลมัยใจอันนี้ชื่อว่าคุณปฏิบัติตันติแต่คุณฟังรายการคุณก็ปฏิบัติทันตีได้หมดจะฟังอธิบายหรือฟังตัวพระสูตรล้วนๆหรือบนรถบรธเมลเราปฏิบัติได้หมดอันนี้ถือว่าเราทําได้ดีทีเดียวแต่นี้มาถึงคําถามของคุณยมติวที่พูดถึงว่าทําไมพระสูตรนี้เพราะว่าอาราเนี่ยไปเรียนภาษาบาลีคุณยมติวอ๋อค่ะพอไปเรียนภาษาบาลีเนี่ย ความสัมพันธ์ในในประโยคเนี่ยเขาจะมีเทคนิคที่เรียกว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ว่าคํานี้ถูกอธิบายด้วยคํานี้คํานี้เป็นลูกน้องของคํานี้คํานี้เป็นหลักเป็นประธานอย่างเงี้ยจะมีการเรียกความสัมพันธ์ของคำํำเ ช, ช่นภาษาไทยก็จะบอกว่าคุณยมติ๋วเป็นนักข่าวอย่างงี้เป็นต้นเป็นผู้จัดรายการความสําคัญของของประโยคเนี่ยอยู่ที่คุณสรรสนีถูกไหมส่วนนักข่าวการจัดรายการเนี่ยเป็นคําขยาย โอเคะนะอันนี้คุณโยบติ๋เข้าใจน ะ, <ค>ะซึ่งจะมีความสําคัญที่รองลงมาจากคุณสรนสนีอย่างนี้เป็นต้น <คะ S 1> น ะ, <ค>ะเช่นเดียวกันทำไมถึงไปยกประสูตรนี้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญในเรื่องนี้คือสุดตะคือสุดตันตะคือส่วนที่เป็นพระสูตรนี่คือคีย์บทที่สําคัญแบบไหนแต่ซึ่งพระเชา่าแยกไว้2แบบคือแบบไหนที่ควรเล่าเรียนแบบไหนที่ไม่ควรเล่าเรียนโอเคนะแบบที่ไม่ควรเล่าเรียนนะคือร้อยกรอง กลับกรอนนะสระอักษรสละสลวยมีเพียรชนะอวินิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกนะพระสูตรแบบนี้สุดตันต์แบบนี้ไม่ควรเล่าเรียนคือถ้าเล่าเรียนปุ๊บก็จะทําให้เสื่อมไปาศาสนาจะเสื่อมได้นะแล้วสุดตันตแบบไหนที่ควรจะเล่าเรียนแล้วนกะ็คือสุดตันต์ทีเ่เป็นข้อความลึกนะมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเป็นคำพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> นะซึ่งเราจะเห็นว่า Prior ตี้เนี่ยคือระดับเกรดของความสําคัญในความหมายเนี่ยจะไม่เท่ากันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยถ้าเราจะเอาคำที่ที่พระสูตรที่เขาพูดถึงในที่นี้ที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยที่บอกว่าเป็นคําของตถาคตเนี่ยเป็นตถาคตภาสิทเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่คําหลักนะแต่คำว่าตถาคตภาสิทเนี่ยเป็นคํารองด้วยซ้ำนะมีความหมายลําดับรองในในประโยคนี้นเพื่อที่จะอธิบายถึง ลักษณะสุดตะที่คุณควรจะฟังนะซึ่งหนึ่งในนั้นหนึ่งในหคุณสมบัตินั้นก็เป็นคําของบุรุษเจ้าเ <Okay. S 1> ข้าเข้าใจเนาะเพราะนั้นคําพูดเหล่าใดที่เป็นข้อความลึกอาจจะเป็นคําของท่านพระสารีบุตรก็ได้เป็นคําของท่านพระหมหากระจานะก็ได้ที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาอันนี้เราควรฟัง <Okay. S 1> คุณควรเยวตีเข้าใจนะพร ะ, <Okay. S 1> พระสุดตันตะพระสูตรแบบนี้ควรฟังนะหรือแม้แต่ในปัจจุบันก็ตาม คําพูดของคุณยมติ๋วที่พูดอยู่ในที่ประชุมสักที่ใดที่หนึ่งถ้าคุณยมติ๋วพูดสิ่งที่มีความหมายลึกเป็นข้อความที่มีความหมายชั้นในชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาคนที่ฟังอยู่ในที่นั้นเนี่ยเขาควรจะต้องฟังควรจะต้องทำการศึกษาคุณต้องเงียยหูฟังควรต้องใคร่ควรเพื่อที่จะให้รู้ตัวถึงคุณยมติ๋วเข้าใจนะไม่ใช่เฉพาะคําพระพุทธเจ้าหรอคะคำพระพุทธเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยคือมีห้าขั้สมบัติฟังอีกครั้งหนึ่งนะ คำใดก็ตามพระสูตรใ ด, ดก็ตามเป็นคําพูดใ ด, ดก็ตามที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาและเป็นคําพุทธะ5อย่าง5อย่างนี้ไอห้าอย่างเนี้ยเป็นคําที่มีเกรดเดียวกันเกรดเดียวกันหมายความว่าเอาไปขยายสุดต่งตางๆเพราะฉะนั้นคําพูดใ ด, ดก็ตามที่เป็นสูญญ ต, ตาเนี่ยที่มันไม่ใช่คําพุทธะแต่มี4คุณสมบัตินั้นก็ควรจะต้องศึกษาคุณจะต้องฟัง นี่คือพูดตามหลักวยากรณ์เลยนะภาษาบาลีเลยอเออดิฉันดิันเข้าใจตามหลักไวยากรณนะคะแต่กราบเรียนถามท่านนิดหนึ่งว่าแต่ในหลักความเป็นจริงนะคะดิฉันไม่ทราบว่าอย่างเรื่องสุญญาตาเนี่ยใครก็พูดได้อย่างนั้นหรอคะพูดถึงคุณยมติวก็เคยไปพูดเรื่องธรรมะในที่ประชุมบางที่ประชุมถูกไหมเข้าใจคะ่จะแต่หมายถึงว่าอันเนี้ยเป็นการเราก็จําคําสอนมาไม่ได้พูดเองถูกไหมคะถูกฮ ะ, ะแล้วอย่างตัวยอย่างท่านพระมหาโมกขลนะอย่างเงี้ยก็มีบริวารของท่านใช่ไหม พระท่า น, นเป็นพระอุปชาท่านก็กล่าวสอนลูกศิษย์ของท่า น, นอยู่ดิฉันเข้าใจคะ่ะแต่ดิฉันก็เลงจะกล่าวเรียนถามท่านว่าที่ว่าคนอื่นพูดเนี่ยคือพูดในสิ่งที่เป็นคําสอนของพระศาสดาหรือเปล่าหรือว่าพูดจากประสบการณ์ของตัวเองที่ฝึกปฏิบัติแล้วเชื่อว่าตรงเนี้ยคื อ, อข้อความลึกมีความหมายซึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องสุญญตาที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองค่ ะ, ะก็ ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้แนวเ น, นี้ยมันก็จะไม่หนีจากสิ่งที่พระเจ้าสอนไงอแต่หมายความว่าต้องเป็นแนวเดียวกับผู้เถ้าเจ้าใช่ไหมคือดิฉันเนี้ยกําลังสงสัยเพราะว่าเมื่อก่อนในเข้าใจแบบหนึง่งค่ะเราดูในสมัยพุทธกาลดีกว่ากลับไปย้อนกลับสมัยพุทธกาลตั้งแต่ก่อนที่จะมีสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมีสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมีก่อนที่เจ้าชายสินธสถจะคลอดแว่แ ว, อ, แวออกมาเนี่ยก็มีพวกพราหมมาก่อนถูกไหม พวกพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะมีคำเพียอะไรต่าง ๆ, ๆใช่ไหมในคำเภียอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเอาลองดูอย่างอัญญาโกตัญญาที่เป็นพราหมณ์อยู่ตอนนั้นนะเป็นพราหมณ์อยู่พระเจ้าเพิ่งจะคลอดออกมาเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมก็ยังในตำราที่เขาศึกษามาเนี่ยในพราหมณ์ไตรเพเย์ยังพูดถึงลักษณะ32ประการยังพูดถึงว่าคนที่มีมหาปุถุสัตว์ลักษณะ32ประการเนี่ยจะมี1หรือ2อย่างเท่านั้นคือไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นสัมมาสัมพุทธะไอข้อความนี้มาจากไหน คุณโยบติวะสมารถสุขจะไม่เกิดนะตอนนั้ น, นค่ะคือดิฉันเข้าใจอย่างนี้นะคะอ่าคือเหมือนกับว่าพระพุทธองค์เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สแสวงหาความรู้จากที่สำนักต่างๆซึ่งท่านคิดว่าก็ดีแล้วเพื่อที่จะพบในสิ่งที่สุดท้ายปลายทางดิฉันไม่ทราบว่าสุญญากากับการค้นพบอริศสตร์ในเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไคะแต่ถ้าใช่เป็นเรื่องเดียวกันก็ดูเหมือนกับว่า ถ้าปัญญาในระดับหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะได้ความรู้นี้ได้และในเมื่อไม่สามารถได้ความรู้นี้ได้แล้วก็มาพูดประสบการณ์ตัวเองไม่ได้ท่านเข้าใจที่ดิฉันพยายามจะพูดไ้มคะเข้าใจเข้าใจอยูออ่ไม่ใช่อย่างนี้หรอกคะ่ะคือที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือว่ามันเป็นทางมันเป็นทางถ้าเราจะบอกว่าเราเราเร า, เราต้องการจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างงี้ใช่ไยกตัวอย่างนี้ก็ได้ ไอ้คุณต้องผ่านอยุธยานะแล้วถามว่าคุณไม่อธิบายอยุธยานี่มันก็ถือว่าเส้นทางนี้ไม่ครบถ้วนนะก็จะไหมแต่ว่าไอ้ถ้าเราอธิบายอยุธยาต่อไปมันก็เป็นสระบุรีนะเออมันเป็นทางเชียงใหเพราะนั้นก่อนที่คุณจะไปถึงเชียงใหม่คุณจากกรุเทพคุณก็ผ่านอยุธยาสระบุรีการพูดถึงอยุธยาการพูดถึงสระบุรีเนี่ยเป็นเป็นทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าการถ้าเขาพูดถึงอยุธยาเขาพูดถึงสระบุรีผิดไหมแต่เขาไม่ได้พูดถึงเชียงใหม่นะ ก็มันก็ไม่ผิดนะถ้าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าลักษณะของของการฟังนะคะเช่นนี้เนี่ยไม่สามารถจบในตัวได้คือเหมือนกับว่าฟังเพื่อที่จะใช้วิธีการามสูตรหรือเปล่าคะที่ว่าฟังแล้วต้องไคร่ครวนไคร่ครวนพิจารณาจนกว่าจะถึงที่สุดว่าเป็นที่ประจักษ์ ตรงนี้ผู้รู้เช่าจึงบอกว่าฟังแล้วยังไง <Okay. S 1> ฟังแล้วก็ต้องตั้งจิตสําคัญว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเล่าเรียนคือทําการศึกษาค้นคว้าให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นเอ๊ะทำไมพูดถึงอยุธยาฮ้แต่ว่าไปทางไปเชียงใหม่ก็ใครครวญให้มันลึกซึ้งเป็นเส้นทางเป็นมร์อ่ะตรงนี้เป็นมคร์คือเป็นทางนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ ท, ที่ที่ต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ผู้รูเช่าได้ตรัสไว้เป็นคําของ เป็นคำของตถาคตเป็นตราคตพาสิทธ์เนี่ยก็คือเป็นลักษณะให้เรากลับไปหาคําสอนที่ดั้งเดิมนะอันนี้จะเป็นเครื่องป้องกันได้สมมติคุณยบเตีอธิบายถึงประสบการณ์ตัวเองในการนั่งสมาธิใช่ไหมค่ะเอ้ประสบการณ์ตรงนี้มันสอดคล้องกับคําของพระพุทธเจ้าอย่างไรอ่าอันนี้เราควรจะต้องกลับไปที่เนื้อแท้เดิมตรงนั้นควรจะนะเพื่อที่อะไรเพราะว่าการกําหนดบทเปลีบบ่ยนชนะของพระเจ้าก็มีความเนี๊ยบที่สุดละ่ะเรากลับไปตรงนั้นเราก็จะจะดีได้ไปถึงเนื้อแท้ตรงนั้นอันนี้ก็ควรจะทํา อย่างเช่นพระสารีบุตรพระหมาโมคละนะท่านก็จะกำหนดบทเพียรชนนัในการอธิบายการทางจิตของท่านนะสาวกที่ศึกษาตรงนั้นก็ควรจะกลับไปถึงเนื้อแท้ด้วยเอ้ยพระรชาพูดไว้อ้อสอดคล้องกันเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะคืองั้นดิฉันขออนุญาตที่จะสรุปเพื่อที่ท่านฟังที่อาจจะงงงอยู่เพราะว่าดิฉันก็สักท่านพิมบุญเยอะจากความสงสัยของตัวเองจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ย น, นะคะว่าจึงหมายความว่าประสูตรเนื้อแท้ เนื้อแท้ที่อันตรธานบทนี้เนี่ยหมายความว่าให้เราเลือกฟังแต่ถ้อยคำที่เป็นถ้อยคำที่มีความลึกซึง้งนะคะแล้วก็เป็นไปเพื่อสุญยตาอของผู้ที่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็นำไปสู่การที่เราจะคร้ครวญต่อไปโดย ยึดหลักของต้นกําเนิดคือคําสอนของตถาคตถูกต้องตถาคตในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะคะว่าชัดเจนถูกต้องค่ะท่านฟังได้ฟังพุทธพุทธพจน์ท บ, ทบทสําคัญทีเดียวนะคะพุทธวจนะบทที่ท่านพบูบุ์ได้นําออกมาให้กับเราเนี่ยแล้วท่านได้ไปศึกษาภาษาบาลีท่านศึกษาสนุกไหมคะภาษาบาลีในย่างไหมคะ คือคือยากแล้วแต่มันคุ้มนะคุณยมติวเรารเราเรียนอะไรที่ยากๆเนี่ยแล้วมันคุม้มทําไม่ให้เห็นความหมายที่ลึกซึ้งอย่างอย่างกลองที่เขาใช้ศัพท์ตรงนี้ว่ากลองอาณาจกรเนี่ยเอาไปดูรากศัพท์เดิมเนี่ยจะคือเขาหมายถึงกลองที่มีเสียงเสียงกล้องไปทั้งสิบทิศเนียเวลาที่เราตีเนี่ยบึมแผ่นดินก็สะเทือนไปด้วยะข้างบนข้างล่างนกก็สะเทือนไปด้วยนะให้ส่งสัญญาณว่าบุกสู้ลุยอย่างเงี้ยนะอ๋อค่ะไม่ใช่กลองธรรมดาธรรมดา กลองที่มีเสียงสัญเสตือนไปทั้งสิบทิศค่ะ <c oughs> รากสั์มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาใกล้จะหมดดยังขออนุญาตที่จะไปเรื่องโลกโลกนิดได้ไหมคะ <c oughs> ไ ด, ได้อ่านแล้วประปทับใจอะคะ <c oughs> อ่ะอือืแล้วพอดีเขาเป็นคนดังก็ <c oughs> <c oughs> เป็นข่าวหลายวันแล้วล่ะนะคะโจเหวินฟ้าท่านเคยได้ยินไหมคะ <C oughs> <c oughs> เป็นพระเอกหนังจีนหนังฮ่องกงอะ่ะสมัยเก่าชอลลี่เฮียงอะไดมาจําได้แต่ดี่ฉันไม่ค่อยได้ดูหนังเขาเลยนะคะความดังของเขาเนรู้จักชื่อประกาศยกสมบัติห้าพันล้านบาท ให้องกรการกุศลเขาก็ให้เหตุผลว่าอยากตอบแทนสังคมที่มีบุญคุณกับเขาตอนนี้เขาอายุห้าสิบแปดนะคะ<อ>เขาจะให้ต่อเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะ<อ>เขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้เงินอะไรมากลูกหลานก็ไม่มีก็เลยต้องการมอบสมบัติที่ได้รับมาจากสังคมและเก็บหอมรอมริบเนี่ยคืนให้สังคมที่มีบุญคุณประโยชน์สําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงแค่ครอบครองมันชั่วคราวเท่านั้นอืแล้วก็มีการ อธิบายคุณสมบัติของคุณโจเหวินฟ้าทิ้งท้ายในข่าวนี้นะคะว่าเป็นที่รู้กันว่าคนเนี้ยติดดินเรียบง่ายเก็บตัวประหยัดมัธยั ต, ยตชอบขึ้นรถสาธรารณะใ ส, ส่ ส, สูทก็ใส่สูทเก่าๆไม่เคยตัดชุดใหม่โทรศัพท์ก็ใช้รุ่นที่ซื้อตอนแรกแล้วมันยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนไปตามแฟชั่นนะคะค่ะดีมากมีมกธรรมะตรงไหนในเรื่องนี้อ บ, บแรกก็คือ เราเข้าใจสัจธรรมที่ว่าถึงแม้ตายคุณก็เอาทรัพย์สมบัติไปไม่ได้ค่ะแล้วไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ยจะทํำยังไงให้มันเกิดเป็นประโยชน์ซึ่งแน่นอนอันนี้เขาก็มอบให้องค์กรการกุศลแล้วก็อย่างที่สองอทรัพย์อย่างยิ่งที่พระเจ้าตรัสในที่นี้พูดถึงอริยทรัพย์ซึ่งเขามีอริยทรัพย์แน่คือไอ้สมมุติถ้าเขาไม่ได้มีพันล้านเขามีแค่สักพันบาทสักพันบาท เรามีพันบาทนะทุกคนที่ฟังรายการคิดว่าคุณซื้อวิทยุหรืออะไรต่างนี้ได้ก็คงจะต้องมีอย่างน้อยสักพันหนึ่งนะไม่ค่าเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยระหว่างพันล้านหรือว่าพันบาทนะแต่ว่าถ้าเรามีตรงนี้และเรารู้จักพอพผู้หญิงบอกว่าความสันโดสนี่แหละเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะเราพอใจตรงนี้เราก็ถือว่าเราอิ่มละเราสบายนะเราก็กลับเอาเงินตรงนี้ให้องค์กรการกุศลและถ้ายใช้ให้ดียิงขึ้นไปคุณมอบให้ในเนื้อนาบุญนะสิ่งที่จะเกิดเป็นบุญขเขานี่จะมหาศาลทีเดียว ค่ะก็หมายความว่าอยู่ที่องค์กรการสนจะไปประกอบอะไรด้วยถ้าเป็นกิจที่อยู่ในข่ายของการไปเป็นเนื้อนาบุญก็จะดีก็จะได้บุญมากค่ะ อ, อีกประเด็นหนึ่งก็พูดถึงเรื่องที่ว่าการที่เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคือแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความยึดติดในทรัพย์สินสมบัติที่มีนะไอ้ความไม่ยึดติดตรงนี้ เป็นทรับอีกอย่างหนึ่งที่เรียกเป็นอริยะทรับภายในทําให้เขารวยในภายในด้วยจิตใจสูงด้วยว่างั้นอ๋อคือความเรียบง่ายนี่ถือเป็นธรรมอย่างหนึ่งเหรอใช่ความสันโดษนะความสันโดสนั่นเองอ๋ออยู่ในหัวข้อธรรมสันโดษ ส, สันโดษเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อธรรมอะไรไหมคะเออเป็นการที่ให้มีชีวิตอย่างเรียบง่ายในมีชีวิตสมถนะค่ะถือว่าเป็นการปฏิบัติไปอย่างหนึ่งใช่ทีนี้ถ้าดิฉันจะถามไปอีกว่าปฏิบัติอย่างไร คือเท่าเท่าที่ตัวเองเข้าใจนะคะคือเข้าใจว่ า, าเขาจะสนทางกับคนทั่วๆวไปที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากได้มาใส่ตัวได้พอแล้วก็ยังเผื่อเผื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยใช้เลย <c oughs> <c oughs> มีมากใช่แปลว่าละไม่ได้แต่การละเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งถูกต้อง ซึ่งซึ่งถ้าสมมุติว่าเราได้มาแล้วแล้วทำให้เราหนักาการได้ตรงนั้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่ว่าได้นะถือว่าคุณเสียคุณเสียอิสระคุณเสียความเบาคุณเสียความสบายคุณเสียความดีความงามาการได้ตรงนั้นก็จะไม่ประเสริฐไม่ดีค่ะเดี๋ยวฉันนึกถึงที่ท่านเคยพูดเอาไว้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสถึงเรื่องของความกลัวคนมีสมบัติเนี่ยสมมติว่าบ้านเมืองไม่เรียบร้อยวุ่นวายมีเงินฝากธนาคารนะคะ ว่ามันคงปลอดภัยแล้วก็ไม่ไวายต้องรีบไปถอนเงินถอ น, นมาไว้ที่บ้านก็รู้สึกเป็นทุกข์โจรขโมยจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเอาเงินมาไว้ที่บ้านก้อนเบ้อเร่อเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ก็ไล่ตามมาถึงจุดที่ท่านบอกว่าความรักเกิดมาจากความกลัวนะใช่ใช่เอ่อความกลัวเกิดมาจากความรัก <c oughs> อ๋อขออภัยกับความกลัวเกิดจากความรักแล้วก็ถ้าถ้าพ้นแล้วจากความรักนะความโศกก็ไม่มีนะความกลัวก็จะไม่มีด้วยซึ่งความความรักในที่นี้เรากําลังพูดถึงอะไร นะคือเรากำลังพูดถึงตัญหานะตันหาที่ที่มันจะเข้าไปไปทาให้เกิดความยึดถือแต่ถ้าเราเร า, เราพูดถึงความรักความเมตตานี้เราควรจะต้องมีอยู่แล้วในทีใน่ในบทพยัญชนะตรงนี้หมายถึงเรื่องของตัญหา น, นั่นเองอืมค่ะคือไม่ใช่ว่ารักทุกเรื่องคือถ้าอย่างนั้นรู้ปะคะหรือว่าใช้ได้กับรักทุกเรื่องที่ทำให้เกิดความกลัวอ่ใช้ได้กับตัญหาในทุกกรณีอืมค่ะคือถ้ารักแบบมีตันหา นนมันจ ะ, จ, ะจะเกิดปัญหาใช่จะทำให้เราโศกทำให้เรากลัวรักอย่างไรล่ะคะไม่มีตัญหารักแบบมีเมตตาค่ะเมตตากรุณาพวกนี้พรหมวิหารพวกนี้ยจะเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงงั้นถ้าเปรียบเทียบกับรักที่ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจเป็นเรื่องหลักๆเลยพอพูดถึงความรักปุ๊บทุกคนคิดถึงความรักของหนุ่มสาวอื ความเมตตาไปอยู่ตรงไหนในความรักแบบนี้คะท่านคะอย่างความรักของหนุ่มสาวเนี่ยจะมีเรื่องของกามาคุณเจือปนอยู่นะใช่อยู่เขามีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเขามองเห็นกันเขาก็ชื่นอกชื่นใจกันอันนี้ก็ดีแต่มันเจือด้วยสิ่งที่เป็นกรรมคุณนะกามาคุณก็คือสิ่งที่เป็นยยอย่างหยับหยาบอยู่นะสิ่งที่จะ ม, มันจะเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินความกําหนัดซึ่งความเพลิดเพลินความกําหนัดนั้นไม่ดตีต้องแยกกันออกถึงจะดีงั้นหมายความว่าอย่างไรก็ตาม ในความรักที่ต่างคนต่างก็ยืนยันว่าเป็นความรักที่ดีก็หมายความว่าต้องเป็นความรักที่เจืออยู่ด้วยเมตตาเป็นความรักที่ที่ไม่เจือด้วยกามคุณถึงจะดีอ่าแต่เพราะว่าคือคนเรามันมีมีความคือถ้าคุณยังไม่เป็นพระอรหันต์นะนะเรากำลังพูดถึงคนธรรมดาใช่ค่ะกำลังพูดถึงคนธรรมดาเพราะกลัว่เดี๋ยวเขาเลิกฟังรายการเราค่ะ แล้วก็ถ้าคุณยังไงความรักของคุณเนี่ยมันมีการมคุณเจือปนแน่นอนเอามันบายเดฟเฟลเลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องพูดถึงว่าเฮ้ยมันยังมีสิ่งที่ดีกว่านะเอาการมคุณนี้ออกไปแตนะความรักตรงนั้นเนี่ยจึงจะใช้ศัพท์ที่ถูกต้องเรียกว่าเมตตาได้ค่ะก็หมายถึงว่าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นรักกันแบบที่คุณคิดว่าดีกันอยู่ขณะนี้เนี่ยแต่ในระยะต่อๆไปพยายามพัฒนาให้ไปสู่ความรักที่มีกรรมคุณให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงบริเปธิ์มากมรันที่ประเสริ กับตัวของคู่รัก<ช>อย่างแน่นอนออและคนอื่นๆด้วยก็กราบนมันส ก, การขอพระคุณท่านเพร่บู์เป็นอย่างยิ่งนะคะท่านฝั่งที่ครบคะ่ะวันนี้เราได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนต้นรายการซึ่งถือว่าเป็นการสร้างกุศล อ, อย่างยิ่งแล้วเห็นผลทันตาถ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิตนะคะแล้วก็ในส่วนของผัสสะมาก็มาได้ประโยชน์ สืบเนื่องกับตัวอย่างของบุคคลดังของโลกใบนี้ทางซีกตัวนออกก็คือโจวนฟ้าเนี่ยนะคะไม่ยึดติดในทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มาลงท้ายด้วยการที่ทําให้เราเข้าใจการอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความกลัวน้อยลงก็ต้องเข้าใจว่าความกลัวทั้งหลายเกิดแต่ความรักจึงต้องรักให้ถูกต้องรักแบบมีเมตตาไม่ได้รักเพื่อตันหาถ้ามันยังต้องมีตันหาหลงเหลืออยู่ นะคะก็พัฒนาความรักนั้นให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปค่ะติดตามรับฟังรายการสันสนีสนธนากันได้ใหม่นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ